การที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะมันไม่ใช่เรื่องปกติไม่ใช่เรื่องธรรมดาสําหรับพวกเราถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของโลกนี้นะคือทุกวันทุกวันก็มีความสูญเสียพัดพร่าเกิดขึ้นมากมายมีคนที่จากไป วันหนึ่งก็นับแสนหรือเกือบสองแสนแต่ว่าถึงแม้มันจะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของโลกนะแต่ว่าก็เป็นเรื่องไม่ปกติธรรมดานะสำหรับพวกเราอย่างไรก็ตามเราก็ควนที่จะได้ชีวิตตามปกติเท่าที่เราจะทำได้ โดยพอในฐานะนักปฏิบัติปกติธรรมดาของพวกเราก็คือการปฏิบัติเรามีการทำวัดสวดมนต์ทุกเช้าและเย็นเรามีการปฏิบัติไปกับการเดินจงกลมก็ดีสร้างจังหวะก็ดีหรือว่าการมีความสึกตัวกับอิเลียนบทต่างๆก็ดีอันนี้คือปกติธรรมดาของพวกเราซึ่งก็ควรจะ รักษาความปกตินั้นเอาไว้ส่วนกิจที่ทำกิจที่ต้องทำเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการทำงานของหลวงพ่อให้เป็นไปอย่างราบรื่นอันนี้ก็เราก็ยังเราก็สมควรทำแต่ก็อย่าให้งานเหล่านั้นนะมาทำลายความ กติธรรมดาของเราอาจจะมีกิจบางอย่างที่เราไม่ได้ทำบ้างหรือว่าทำได้ไม่ดีเท่าไหร่อย่างเช่นเมื่อวานนี้เราก็มีการทำวัดกันพาที่มาทำวัดกันที่นี่ก็ไม่มากขพส่วนใหก็ไปทำวัดกันที่วัดภูเขาทองแต่ว่านั่นก็เป็นส่วนเล็กน้อยแต่ที่สำคัญก็คือว่า ถือแม้กิจวัตรของเราในช่วงนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ว่าภายในใจของเราก็รักษาความปกติเอาไว้นั่นถือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะมันเป็นการบ้านเป็นโจทย์ใหญ่นะที่ฝึกให้เรารู้จักรักษาใจให้เป็นปกติ แต่หากว่าจะเสียใจนะจะมีความวันไหวก็ให้รู้ทันนะถือว่าเป็นสิ่งที่เรียนรู้นะจากชีวิตจริงไม่ใช่เสียหายไม่ใช่เรื่องเสียหายถ้าหากว่าเราจะร้องไห้หนระือว่าจิตใจวันไหวแต่ว่าจะดีถ้าเกิดว่าเรารู้ทัน เห็นอาการที่เกิดขึ้นเห็นความเศร้าเสียใจที่เกิดขึ้นเห็นความวอนไหวที่เกิดขึ้นเพราะว่าเราก็ยังเป็นปุถุชนไม่ใช่ว่านักปฏิบัติธรรมจะร้องไห้ไม่ได้แต่ว่าเมื่อเกิดขึ้นเราก็ารู้ทันในสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะนี้คือสิ่งที่หลวงพ่อได้สอนเราแล้วก็ได้ได้ตอกย้ากับพวกเรานะว่าให้รู้กายรู้ใจ ทังกายและใจมันก็เป็นสิ่งที่บังคับควบคุมไม่ได้แต่เราสามารถที่จะสร้างเหตุปัจจัยให้เป็นไปในทางที่ดีงามได้เราก็จะสร้างเหตุปัจจัยเพื่อสร้างสติสร้างความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้นมาต่อเนื่องแล้วก็เอาสติความรู้สึกตัวนั่นแหละมาใช้ในยามที่เกิดความไม่ปกติกับชีวิตของเรา หรือว่าเมื่อเกิดความไม่ปกติในชุมชนของเรามันเป็นเวลาที่ควรเอามาใช้งานแต่ถ้าเกิดว่าเราผ่านไปได้นะก็เราก็จะเข้มแข็งขึ้นฉลาดขึ้นแล้วก็สามารถที่จะรับมือกับความไม่ปกติที่รุนแรงกว่า น, นี้ได้อาจจะว่าไปหลงพ่อท่านก็ไม่ได้จากไปแบบปุบปับ ท่านก็มีเวลาท่านก็ให้เวลาพวกเราได้ได้ตั้งตัวหรือว่าได้เตรียมจิตเตรียมใจมาเป็นเวลาหลายเดือนถ้าเกิดว่าท่านไปอย่างปุบปับนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่คงเป็นการบ้านที่หนักมากนะสำหรับพวกเราในการที่จะรักษาใจให้ปกติได้แล้วก็ ปวนนัตนาค์เนะว่าความสูญเสียบางครั้งเนี่ยมันก็มาในเวลาที่เราคาดไม่ถึงยิ่งเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่นี่บางครั้งก็มาในวันที่มันแสนจะปกติหรือว่าเป็นวันที่บรรยากาศนี้ดีอย่างตอนเกิดสึนามิเนี่ยเมื่อสิปีที่แล้ว้องฟ้ามันก็ไม่ได้มืดคลุม ฟ้าก็ใสแดด ก, ก็สวยแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาในเช้าวันนั้นนี่มันมันมืนกับว่าเป็นนรกเปิดทีเดียวตอนเกิดเหตุการณ์11กันยานะนะที่รู้จักกันไปทั่วโลกวันนั้นฟ้าก็สวยอากาศก็ดีเป็นเช้าวันอังคารที่ก็เรียกว่าสสนจะปกติธรรมดา แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นมันมันไม่ปกติอย่างยิ่งแล้วทุกวันนี้เราก็ยังได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์วันนั้นเหมาในงานหนึ่งที่หลวงพ่อจากไปเมื่อเช้าเมื่อของเมื่อวานนี้ก็ก็คงเป็นเวลาที่เราคาดไม่ถึงมันกันก็จะว่าจะเรียกว่า ป, ปรับก็ได้แต่ก่อนหน้านั้นท่านก็มีเวลาให้เราได้เตรียมใจอยู่นาน อันนี้เมื่อเรารักษาใจเมื่อเราเห็นว่าการรักษาใจให้ปกติเป็นสิ่งสําคัญและเราก็สามารถที่จะทําได้ก็ควรที่จะทํามากไปกว่า น, นั้นก็คือหาประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้นอาสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าบวกหรือลบล้วนแต่มีประโยชน์ทั้งนั้นถ้าเรารู้จักเปลี่ยนความทุก ความสูญเสียให้เป็นธรรมะเราก็จะได้ประโยชน์เป็นประโยชน์ที่จะช่วยทําให้เราเกิดปัญญามากขึ้นหลวงพ่อก็เคยพูดนะอยู่หลายครั้งนะว่าภาวนาะคือการเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีนี่ไม่ได้ไปนึกว่าเปลี่ยนเหตุการณ์ภายนอกนะเพราะความสูญเสียหรือการที่หลวงพ่อละสังขารไปมันเปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้ว แต่วันเปลี่ยนความรู้สึกของเราได้หรือเปลี่ยนเสียงที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราแทนที่จะเศร้าโศกคร่ำครวนนะก็เห็นธรรมะที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นแนวะความไม่จีรังยั่งยืนของสังขารนะความทุก ที่มันฝังอยู่ในสังขารทุกชนิดอย่างที่ทุกวันตอนเช้าอย่างที่เมื่อกี้เราสวดกันเนี่ยเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์ย่างเอาแล้ ว, ลวความทุกข์มันอย่างเอาแล้วในตัวเราทุกคนเพราะนี่เป็นธรรมดาธรรมชาติของสังขารและแถมยังมีความทุกข์อยู่เบื้องหน้าด้วยที่เบื้องหน้าเรานี้ยังไม่รู้จะสูญเสียใครไปอีกนะ แต่มันก็ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอยู่ที่ว่าช้าหรือเร็วอยู่ที่ว่าเป็นใครอันนี้ก็เป็นสัจธรรมนะสัจธรรมที่เราต้องรู้จักมองให้เห็นเก็บเกี่ยวให้ได้เพื่อที่จะมาเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงสติปัญญาของเราให้เจริญงอกงาม ดอกบัวเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากไหนนะดอกบัวมันเกิดขึ้นจากโคลนตม้มท่านติณทานท่านเขียนเตือนใจไว้ดีนะมันเขียนว่า no mat no lotus ไม่มีโคลนตมก็ไม่มีดอกบัวดอกบัวในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงเฉพาะดอกบัวที่เห็นด้วยตาเท่านั้นแต่หมายถึงจิตที่ เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นจิตที่บรรลุธรรมชนิดที่เรียกว่ากิเลสไม่อาจแตะต้องได้เหมือนกับน้ำที่ไม่อาจฉาบติดดอกบัวได้หรือใบบัวดอกบัวงดงามได้ทั้งที่เกิดขึ้นจากโคลนตมที่ไม่น่าดูไม่มีใครอยากจะคล้องเกี่ยวโคลนตม แต่ว่าผลเปลี่ยงโคลนตมนั้นก็คือดอกไม้ที่เรานำไปบูชาพระสาการาพระพุทธเจ้าไม่มีโคลนตมก็ไม่มีดอกบัวไม่มีทุกข์ไม่เจอทุกข์ก็ไม่พบธรรมะเาต้องเจอทุกข์นะธรรมะในใจของเราถึงจะยังลากลึกและเจริญงอกงามได้ให้ความสูญเสียมันก็มีประโยชน์ วความทุกข์ต่างๆก็มีประโยชน์เราไม่สามารถจะเปลี่ยนมันได้เพราะมันเกิดขึ้นแล้วแล้วมันก็เป็นมันก็ผ่านเลยไปแล้วแต่เราสามารถที่จะเปลี่ยนความหมายใหม่ได้เปลี่ยนความหมายของมันหรือเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อมันเปลี่ยนความรู้สึกที่มีต่อมันอันนี้เราทำได้ สำหรับคนบางคนความตายก็หมายถึงความสูญเสียนะแต่สำหรับบางคนความตายก็หมายถึงการเปิดใจให้เห็นธรรมะหรือเตือนใจให้ไม่ประมาทอันนี้แหละคือมรอดกหรือพินยกรรมสุดท้ายที่พระ เ, เจ้าได้มอบไว้นะกับภาษาวกตกมาจนถึงเราทุกคนนะ สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดหรือท่านทั้งหลายจงทำประโยชน์ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทอันนี้เป็นมรดกนะพินัยกรรมสุดท้ายที่พระพุทธเจ้ามอบให้กับชาวพุทธทุกคนและพินัยกรรมนี้เนี่ยก็มีประโยชน์ที่เราจะนํามาใช้กับตัวเราในยามที่เราพบกับความสูญเสียด้วย แทนที่จะมัวแต่คลําครลวนเสียใจหรือว่าขดถูเศร้าหมองก็มาใช้เหตุการณ์นี้เป็นเครื่องกระตุ้นให้เกิดความไม่ประมาทให้เร่งทําความเพียรไม่นิ่งดูได้เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับหลวงพ่อวันหนึ่งก็จะเกิดขึ้นกับคนรักของเราคนอื่นอีก อาจะไม่ใช่ครูบาอาจารย์จะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติผู้ใหญ่เป็นเพื่อนรักแล้วก็ในสุดก็จะเกิดขึ้นกับเรานะหนีไม่พ้นหลวงพ่อท่านไปดีแล้วหรือไปยิ่งกว่าเหนือดีซะอีกแล้วเราล่ะนะเราจะไปดีอย่างนั้นได้ไหมถ้าอยากจะไปดีอย่างนั้นนะก็ต้องทํา หรือเตือนตั้งแต่วันนี้โดยการทำช่วยของเราให้มันดีดีในนี้นี่ก็ดือก็คือไม่ใช่แค่ทำดีนะเท่า น, นั้นแต่ว่าต้องภาวนาฝึกฝนใจให้เห็นความจริงให้จัดจัทำจะได้พ้นจากความทุกข์ได้ไม่เป็นอะไรกับอะไรหรืออย่างน้อยก็มีทำนำพาชีวิตนะอย่างที่หลวงพ่อได้เขียน ย้ำเตือนพวกเราในบันทึกของท่านหลวงพ่อจากไปนะพจากไปแต่ตัวแต่ว่าคำสอนซึ่งเป็นหัวใจของท่านเป็นอาชีพที่ท่านรักหลวงพ่อท่านพูดอยู่เสมอว่าเนี่ยอาชีพของท่านก็คืออาชีพที่สอนกรรมาฐานท่านก็ได้ทิ้งคำสอนไว้มากมายทั้งที่เป็นตัวหนังสือทั้งที่เป็น เสียงบรรยายแล้วท่านก็ยังทิ้งอะไรหลายอย่างในขณะเดียวกันท่านก็ไม่ได้เอาอะไรไปจากเราสิ่งดีๆก็ไม่ได้เอาอะไรไปเลยเมื่อคราวที่พระจุนทะนำข่าวมาแจ้งกับคณะสงฆ์ว่าพระสาริบุตได้ปรินิพพานแล้ว พระจุลธานี้เป็นน้องของพระสาริบุตรแล้วก็เป็นพระรหันด้วยเมื่อท่านนําข่าวการปรินิพนธ์ของพระสารีบุตรมาแจ้งกับคณะสงฆ์ก็มีพระหลายรูปทีเดียวนะ้าที่เสียใจคร่ำครวญรวมทั้งพระอนนท์ด้ว ย, พ ร, วยพระเจ้าก็เลยตัดถามว่าสาริบุตรไปเนี่ยได้เอาศีลขันไปหรือเปล่าพระก็ตอบว่าเปล่า ได้เอาสมาธิขันไปไหมก็เปล่าได้เอาปัญญาขันไปหรือเปล่าก็ไม่ได้เอาไปวิจารเลยตัดว่าก็ในเมื่อ ส, สารีบุตรไม่ได้เอาศีลขันสมาธิขันปัญญาขันไปจะเศร้าเสียใจไปทําไมทั้งหมดนี้ของดีๆเหล่านี้ยังอยู่กับเรายังเป็นสิ่งที่เราสามารถจะเข้าถึงได้เถ้าสารีบุตรหรือ ใครก็ตามนะเอาสิ่งเหล่านี้ไปนะอันนี้แหะนั่นแหละที่เราควรจะเสียใจหลวงพ่อก็ไม่ได้เอาศีลสมาธิปัญญาไปกับท่านด้วยไม่ได้เอาสติไม่ได้เอาความสึกตัวไปจากเราไม่ได้เอาสัจธรรมที่เปิดทางสู่ความพ้นทุกข์นะไปกับท่านด้วยทั้งหมดเหล่านี้ก็ยังอยู่ แล้วก็รอให้เราได้ค้นพบเข้าถึงแล้วก็ใช้ประโยชน์อันไหนที่ยังที่เราเข้าถึงแล้วมีแล้วก็ยังมีอยู่นะหลวงพ่อไม่ได้เอาไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะว่าไปเราก็ยังไม่ได้สูญเสียอะไรมากหรือไม่มีความสูญเสียในสิ่งที่เป็นแก่นธรรมเลย ก็จะยังอยู่แล้วก็จะอยู่ตลอดไปสาบใดที่ยังมีผู้ปฏิบัติและสิ่งที่หลวงพ่อได้เข้าถึงค้นพบก็ยังอยู่รอการค้นพบจากเรารอการเข้าถึงจากเราเพราะฉะนั้นแทนที่จะเสียใจคร่ำควรวญก็ต้องถือว่าเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติทําความเพียร เพื่อจะได้เข้าถึงหรือประสบอย่างที่ท่านได้เข้าถึงและประสบมาแล้วความสูญเสียก็หมายหมายถึงสิ่งที่เตือนใจสอนใจให้เราทําความเพียรด้วยความไม่ประมาทและแนวระเดียวกันก็เป็นเครื่องย้าเตือนให้เรารู้จักปล่อยวางเมื่อพุทธเจ้าได้จัดถึงความไม่เที่ของสังขาร พระงจะตัดสองแง่ในแง่เนื้็คือว่าให้ปล่อยวางอริจาวัสังคาราอุปาทาเวธามิโนอุปจิตวานิรุชันติเตสังบุสมสุโค ท, ที่เราเรียกาบางสุกุลตายเนี่ยสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดามีขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นการสงบวางแห่งสังขารเป็นความสุขอย่างยิ่ง อันนี้คือการปล่อยวางโดยการปลดล็กถึงความไม่เที่ยงงสังขารเรียกว่าเป็นการทําใจส่วนอีกแง่หนึ่งที่เราจะได้ประโยชน์จากความไม่เที่ยงของสังขารก็คือการเตือนใจให้ไม่ประมาทความไม่ประมาทก็หมายถึงการเพียรพยายามไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปตระหนักว่าเวลาเหลือน้อยลงทุกทีต้องรีบทําความเพียร ให้ถึงประโยชน์เท่าที่มนุษย์เราจะพึงได้รับอันนี้เราเป็นการทำกิจนะทากิจความเพียร น, นี่มันก็หมายถึงการที่ไม่ปล่อยปากละเลยแต่ลงมือทำนั้นการทำกิจและการทำจิตต้องทำควบคู่กันเมื่อไม่เศร้าโศกไม่เสียใจเพราะปล่อยวางได้อันนี้ก็ดีแล้วนะแต่ว่า ก็ต้องเร่งทําความเพียรด้วยเ พ, เพราะปล่อยวางไม่ได้แปลว่าปล่อยปะละเลยปล่อยวางเป็นการทําจิตนะเพื่อใจไม่ทุกข์ส่วนการทํากิตนะยิ่งยังต้องทําต่อไปเพราะคือหน้าที่เห็นถ้าเราเกี่ยวข้องกับความสูญเสียหรือว่าความตาย ของคนที่เราลักคนที่เราคอลบเนี่ยไม่ถูกต้องมันก็พาไปสู่ความเสื่อมได้แต่ถ้าเรามีท่าทีที่ถูกต้องนะก็จะทำให้เราเนี่ยเกิดความตื่นตัวเร่งเร้อไม่ปล่อยปากแล้วเลยเร่งทำความเพียรเพื่อทำให้เข้าถึงบรรลุซึ่งประโยชน์ตนและประโยชน์ทันอย่างบางคนก็มี มีลูกมีหลานมีพ่อมีแม่ที่ต้องดูแลเราก็ต้องไม่ประมาทก็ต้องทาหน้าที่ที่มีต่อท่านให้ดีที่สุดขณะที่ยังมีเวลาบางคนมีลูกมีหลานก็ต้องใส่ใจดูแลอันนี้เราเป็นการทำความเพียรเพื่อประโยชน์ท่านส่วนหน้าที่ต่อตัวเองเราก็มีเหมือนกันก็คือหน้าที่ที่ทำให้ตัวเองไม่ทุกข์ หน้าที่ที่จะเข้าถึงความพ้นทุกข์อริยะโลกุตตรธรรมอุจจารัดว่าเนี่เป็นทรัพย์ประจําตัวของทุกคนก็ต้องเข้าถึงทรัพย์ใช้ประโยชน์จากทรัพย์นี้ให้ได้อันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นประโยชน์ตนนะก็ต้องทําเหมือนกันด้วยความเร่งรีบแต่ไม่รีบร้อนแล้วก็ในเวลาเดียวกันก็ไม่ลีลรอ รีรอก็ไม่ใช่รีบร้อนก็ไม่ถูกนะแต่ต้องเร่งทำคือไม่ปล่อยเวลาหผ่านเลยไปเมื่อถึงจุดหนึ่งนะก็จะทำให้เห็นความจริงจนกระทั่งปล่อยวางได้ในที่สุดปล่อยวางแต่ก็ยังทำกิจอย่างต่อเนื่องเหมือนกับที่พระเจา้าและครูบาอาจารย์ทั้งหลายนั่นก็ปล่อยวางหมดแล้วพอท่านมีปัญญาแลเห็น ว่าไม่มีอะไรที่จะยึดถือได้เลยสักอย่างแม้กระทั่งกายและใจนี้แต่ก็ไม่ได้นิ่งดูได้ทา่านก็ยังทำอะไรต่ออะไรมากมายเพื่อประโยชน์ของชาวโลกอันนี้แหละก็คือสิ่งที่เป็นหน้าที่ที่เราต้องจนหนักแล้วก็เดินหน้าต่อไปโดยการรักษาความปกติให้เกิดขึ้นทั้งในส่วนที่เป็นกิจวัตร แล้วก็ในส่วนที่เป็นสภาวะใจของเราเอาละชาตินี้ก็พูดกันเท่านี้